พระธรรมกัทถ์ที่สอนธรรมโดยไม่บริสุทธิ์ก็คือสอนเพื่ออะไรตั้งเป้าหมายเพื่อลาบสการะสรรเสริญและชื่อเสียงอันนั้นเรียกว่าคําสอนที่ไม่บริสุทธิ์หน้า497บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะไม่มุ่งโลกามิตรแปลว่าไม่ได้แสดงธรรมเพื่อหาเหยื่อในโลกเนี่ยนะไม่ได้แสดงธรรมเพื่อมุ่งเหยื่อแต่พระองค์มีพระทัยอ่อนโยนด้วยเมตตาภาวนา คือการแผ่เมตตาหวังประโยชน์เกื้อกูล <c oughs> พระองค์นี้แสดงธรรมที่จิตตั้งอยู่ในสถานะที่ปรารถนาจะยกให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยสูงขึ้นพระงจึงแสดงธรรมพันธการแสดงธรรมของพระองค์จึงบริสุทธิ์เพราะพระองค์หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความตรัสรู้ของสัตว์ทั้งหลายปรารถนามรรคผลแก่สัตว์ทั้งหลายเป็ น, เ, ปนเบื้องหน้าแสดงธรรมพันธ์คำสอนนั้นจึงบริสุทธิ์ โยธรรมังอะนะบ ร, รมจริยังประการเสติเนี่ยนะทรงประกาศพรหมจรใช่ไหมประกาศเสติก็คือประกาศพรหมจร์เพราะอะไรพรหมจร์หมายถึงอะไรสกลศาสนาสกลสกลนี่แปลว่าทั้งหมดสกลเนี่ยนะแปลว่าทั้งหมดสาคานครในคดีนี้สาคานครนก็เมืองโดยรอบทุกเมืองเหมือนกันเถอะเรียกว่าสาคานคร หรือถ้าเป็นาศาสตร์สกุลศาสนาก็บอกคาสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทั้งปีดกสาสงเคราะ์ลงยอ่อลงมาก็คือสิกขาสามสิกขาทั้งสามนี่แหละเรียกว่าพรหมจรรย์พรหมจรรย์หมายถึงการประพฤติอย่างประเสริฐก็คือประพฤติอยู่ในอธิศีนอธิ จ, จิตและอาธิ ป, ปัญญาพันคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดประชุมยอ่อลงมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาพันคำสอนของพระองค์จึงประกาศศีลประกาศสมาธิและ ประกาศปัญญาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ประกาศาศาสนาทั้งหมดของพระองค์ก็ประกาศศิกขาสามเพราะสิกขาสามนี่แหละเป็นความประพฤติอย่างประเสริฐเป็นความประพฤติของพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเพราะเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดชื่อว่าพรหมจรรย์เป็นการประพฤติเพื่ออะไรเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเนี่ยนะประพฤติเพื่ออย่างลงสู่ พระนิพพานพระพุทธเจ้าสอนศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้ได้อริยมรรคอริยผลและก็ทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันนี้เราก็คงรู้ในส่วนกิจของพระพุทธเจ้าใช่ไหมว่ากิจของพระองค์คืออะไรคือปฏิบัติจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประกาศอธิศีลอธิจิตอ ธ, อ ธ, อธิปัญญาจบลงที่พระนิพพานส่วนที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของสาวกทั้งหลายเนี่ยนะ หน้าที่ของสาวกทั้งหลายที่จะกำหนดจดจำใส่ใจตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามว่าพุทธพจน์ตรงไหนเป็นศีลศีลเราจะเพึ่ปฏิบัติตามได้อย่างไร ตรงไหนเป็นสมาธิเราจะเจริญสมาธิให้งอกงามไพยบูนบริบูนได้อย่างไรตรงไหนเป็นปัญญาเราจะบริธรรมปัญญาให้เพิ่มพูนได้อย่างไรตรงไหนเป็นอริยมรรคเราจะเจริญมรรคได้อย่างไรตรงไหนเป็นอริยพลเราจะทำให้แจ้งสามัญญผนอย่างไรตรงไหนเป็นวิวัตตะตรงไหนเป็นวัตะเราจะกาหนดรอบรู้ วตตะตัดสาเหตุของวัตะได้อย่างไรตรงไหนเป็นวิวัตะแล้วปฏิบัติอย่างไรจึงจะเข้าถึงวิวัตะแค่ไหนเป็นโลกิยะแค่ไหนจึงเป็นโลกุตระเบื้องต้นอยู่ที่ไหนท่ามกลางที่ไหนแล้วก็ที่สุดอยู่ตรงไหนพันของเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติเนี่ยนะถ้าถ้าเปรียบเทียบเหมือนรถเจ็บผาดของเราอยู่ผาดที่เท่าไหร่นะถ้าเดินทางโดยรถเนี่ยเราจะรู้ใช่ไหมเนี่ยตอถ้าสมมติว่าจะมาฟังธรรมเนี่ยนั่งรถเมย์มาเจ็ดต่อเนี่ยนะต้องรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี่ยขึ้น คัที่หนึ่งมาลงคันที่สองขึ้นจากคันที่สองมาลงคันที่สามตกสามาสี่เป็นต้นตอนนี้ถึงไหนแ ล, แล้วอย่างไรนี่ต้องรู้ใช่ไหถ้าขึ้นพลาดผิดรถผิดรถอาจจะว่าไงเดี๋ยวได้ฟังไว้แบบ่ายากเลยนะหนึ่งหรือไม่ก็ลงผิดอะไรนะผิดที่หมายก็เดือดร้อนฉันใดการปฏิบัติธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันมันถ้าหากว่าผิดจุดหมายปลายทางเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้แจ้งพระนิพพานเหมือนกับรถเจ็ดพลาดแล้วก็ต้องไม่เผลอว่าตอนนี้เราอยู่ที่ ผลัดที่เท่าไร่ขาบอกว่าผลัดที่ที่2จะบริบูรณ์ต่อเมื่อได้ผลัดเอ่อขอไปจะเข้าถึงผลัดที่2เมื่อผลัดที่1บริบูรณ์จะเข้าถึงผลัดที่3ต่อเมื่อผลัดที่2บริบูรณ์เราก็มาดูว่า1นึลัดที่1ยิ้มแป้เลยใช่ไหมผลัดที่2มั่นใจผลัดที่สไม่สงสัยผลัดที่4ก็ไม่ระแวงผลัดที่5สบายเฉโลวยอย่างนั้นนะพอมาไล่ดูว่า6 7ใกล้หรือยังไงนะก็ว่ากันไปเนี่ยนะก็ใครที่ทําได้ก็อนุโมทนาด้วยเนี่ยนะ พอใกล้จะถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วเนี่ยนะจะได้อะไรได้ประสบประโยชน์และความสุขจริงๆทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกอย่างนี้แล้วพระองค์แสดงธรรมดังที่กล่าวมาไปเราะเบื้องต้นด้วยศีลท่ามกลางด้วยอริยมรรคที่สุดคือพระนิพพานอย่างนี้แล้วประกาศอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ซึ่งเป็นคาสอนที่นาออกจากทุกข์ หน้า477กลางหน้าบอกว่าครหาบดีนั้นน่ะนะครือาบดีหรือบุตรเครหาบดีผู้ที่เกิดมาในภายหลังจากสกุลใดสกุลหนึ่งได้ฟังธรรมะนั้นเข้าได้ฟังอะไรฟังธรรมคือฟังอริยสัจธรรมฟังทุกข์เพื่อการกําหนดรอบรู้ฟังสมุทัยเพื่อการละฟังนิโรธเพื่อการทําให้แจ้งฟังอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเพื่อการเจริญอย่างนี้แล้ว ครั้นพอฟังจบก็ย่อมได้ศรัทธาได้เฉพาะซึ่งศรัทธาไหมเขาเป็นศรัทธาที่เจาะจงต่อพระพุทธเจ้าสัตย์เฉพาะซึ่งศรัทธานี่แปลว่าเป็นศรัทธาที่เจาะจงต่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศรัทธาเลื่อนลอยเนี่ยนะเป็นศรัทธาที่เรียกว่ามีจุดมุ่งหมายไม่ใช่แตกพร่ำเพรื่อที่นั่นอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีอันนั่นก็ดีนน ด, นน ด, ดีไปหมดทุกเรื่องเนี่ยนะชั่วก็ดีดีก็ดีดำก็ดีขาวก็ดี นะาถ้ายัางงี้ก็สงสัยจะเป็นชื่อดีแล้วมัง้งเหมันมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอันนี้หมายถึงว่ามีศรัทธาที่อุทิศเจาะจงต่อพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเนี่ยนะเขาประกอบด้วยการได้เฉพาะซึ่งศรัทธาแม้นั้นคือแม้ในพระตถาคตนั้น คือคือเข้าใจแล้วว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรใช่ไหมพระองค์ปฏิบัติสร้างบารมีอย่างไรตต่สรู้อะไรตต่สรู้ว่าอย่างไรและคําสอนของพระองค์มีเป้าหมายอย่างไรมีหลักการเป็นอย่างไรวิธีการประพฤติปฏิบัติในศาสนธรรมคําสอนเป็นอย่างไรพอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็คิดว่าคารวาสการอยู่ครองเรือนเนี่ยคระแปลว่าเรือนเนี่ยนะอาวาสแปลว่าที่อยู่ที่อยู่คือเรือนเนี่ยเป็นที่ขับแคบ เป็นทางมาแห่งกิเลสเหมือนดัง่งธุลีฝุ่นละอองเนี่ยตอมใจเหลือเกินเพราะฉะนั้นบรระชาเป็นโอกาสอันปลอดโปรง่งการที่ผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรออรือธิสีลอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาให้บริบูรณ์ให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวดดสังที่ขับแล้วนี้หาเป็นกิจอันใครใคร กระทำได้โดยง่ายไม่บอกทํายากเหลือเกินเป็นกราราวะาเนี่ยนะเข้างานเลี้ยงนี้ออกงานเลี้ยงโน้นไม่รู้จะคิดถึงศีลได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะงานเลี้ยงแต่ละงานเชือ่อว่าเขานิมนต์พระไปสะแสดงอริยศาสตร์โรคเนี่ยนะนะนนให้พวกพว ก, พวกไปเกลี้ยกล่อมสมุทัยาศาสตร์ใช่ไหมร้องเพลงให้ฟังเป็นต้นเนี่ยนะคารวบออกงานนี่ก็สรรเสริญวัตตะออกงานโน้นก็สรรเสริญวัตตะไปงานไหนก็ไปงานสรรเสริญวัตตะทั้งนั้นเลยเนี่ยนะ ยากนะที่จะบอกว่าไปที่ไหนทุกงานเนี่ยไปเพื่อฟังอริยศาสตร์บอกไม่ไปสรรเสริญว่าทํายังไงเราจะอยู่วัตฏะได้นานๆเพลินๆ อ, อยู่อย่างยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้เป็นโครงการแบบนี้ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมพาะคารวะทั่วไปธรรมดาแล้วถือว่ายากค่อนข้างยากเพราะเราถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเกรงใจเข้าไปหมดเลยก็เลยทําไงดีน้อคนนี้ก็เลยคิดเออคารวะแับแคบเนี่ยนะ ก็เลยเอออยากกันนั้นเลยเราพึงปลงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะพัดออกจากเรือนไม่มีเรือนบวชอยู่เถิดเนี่ยนะแปลว่ามีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้ามุ่งปรารถนาที่จะตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าต่อมาเขาก็ละโภกขสมบัติกองโภกขสมบัติจะน้อยหรือมากเครือญาติเนี่ยนะจะน้อยหรือใหญ่เสร็จแล้วก็นุ่งผมอ่ก็ปลงผม ปลงหนวดก็คือโกนผมโกนโนวดนุ่งหม่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนไม่มีเรือนแล้วก็บวชไม่มีคําว่าปลงคิ้วเลยใช่ไหมมีแต่ว่าปลงผมแล้วก็ปลงหนวดจริงๆแล้วในพระวินัยจริงๆไม่มีคําว่าโกนคิ้วเนี่ยนะนะทีนี้ข้อต่อไปอีกว่าคุระบุตรนั้นบวชแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายเรียกว่าเข้าถึงพร้อมด้วยศีลของ พระภิสูุน์นั่นเองศีลของพระพิสูุ์เนี่ยนะถ้าริเรียงลงมาย่อๆก็คืออะไรละการฆ่าสัตว์ใช้คําว่าละละโดยประทางฆ่าประหารเป็นต้นเนี่ยนะละการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์เนี่ยละอะไรเจตนาฆ่าใช่ไหมฆ่าสัตว์ตัวนั้นเป็นชื่อของเจตนาละเจตนาฆ่าสัตว์หรือทําลายละตัวนี้แปลว่าประหารน่ยประหารเจตนาที่คิดฆ่านะละการฆ่าสัตว์คือทําลายเจตนาฆ่า เว้นจากการฆ่าวางท่อนไม้วางสาตราวางมีดมีความละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่คือคนที่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ก็คือทําลายเจตนาที่คิดฆ่าเสร็จ แ, แล้วก็มีใจกรุณาเจริญกรุณาเจริญเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายอยู่พระสีนข้อนี้จะบริบูรณ์ก็เมื่อต่อเมื่ออยู่ด้วยเมตตาและอยู่ด้วยกรุณาถ้ายังขาดเมตตาขาดความกรุณาต่อ สัตสีนข้อแรกก็ยังไม่ครบถ้วนและบริบูรณ์พ่อใหรเพราะได้แต่วารีดแต่ยังไม่ได้จารีตต้องมีจารีต ด, ด้วยใช่ไหมวารีตคือเว้นจากการฆ่าละการฆ่าเรียกว่าวารีตงดเว้นส่วนจารีตก็ต้องประพฤติด้วยใจที่มีเมตตาและกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะเพราะในศีลหนึ่งข้อถ้าจะพูดให้เต็มมีทั้งข้อละและข้อปฏิบัติข้อละก็คือละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์วางท่อนไม้วางศาสตราวางอาวุธเนี่ยนะ ส่วนจารีตะประพฤติอะไรก็มีการละอายมีความเอ็นดูมีใจกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งปวงอยู่อยู่อยู่คำว่าอยู่แปลว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เมือนกันหมดเนี่นะเราเรียกว่าอยู่ต่อไปละการลักทรัพย์เวน้นขาดจากการลักทรัพย์เนี่ยนะก็อันนี้ละอันนี้ก็คือส่วนที่เป็น วารีดคือเว้นเะนี่ยนะละเว้นออกไปส่วนที่ต้องปฏิบัติก็คือรับเอาเฉพาะแต่ของที่เขาให้ต้องการแต่ของที่เขาให้ไม่เป็นขโมยเป็นผู้สะอาดอยู่ตลอดเป็นนิดเนาะมีใจไม่ลักขโมยโดยที่สุดแม้แต่หญ้าเส้นเดียวเราว่ากันเพราะผู้ที่มีใจ เป็นขโมยเนี่ยนะผู้ที่มีใจเป็นขโมยเนี่ยโดยลักณ์แม้ที่สุดเส้นญ้านี่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะไม่ชื่อว่าเป็นสักยบุตรเนี่ยนะอสมโนโหติอสักยะปุตติโยเนี่ยนะก็คือไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักยบุตรเนี่ยนะไม่ใช่สมณะไม่ใช่สักยบุตรถ้ามีจิตคิดขโมยเนี่ยนะ ทีนี้ต่อไปอีกว่าละกรรมที่เป็นค่าศึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติทางไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นกิจของชาวบ้านทีเรียกว่าทําตัวเป็นผู้ประเสริฐเยี่ยงพรหมทั้งหลายละการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดเท็จอันนี้เป็นข้อที่เป็นวารรตคืองดเวน้นส่วนจารีตพูดแต่คําจริงพูดคําสัตย์พูดคําสัตย์ตลอดหมายความว่าเมื่อไรเมื่อไรก็พูดแต่ ความจริงมีถ้อยคําที่เป็นหลักฐานควรเชื่อถือได้ไม่พูดคลาดเคลื่อนต่อโลกนนะพูดตามความจริงของชาวโลกเมื่อเห็นก็ว่าเห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็นเป็นต้นละคําสอเสียดสอเสอเียดแลวะวรรยุแยกนะนะละคําผู้ที่ยุแยกเว้นขาดจากคําพูดที่ยุแย ก, ก, ค, ยแยกคือฟังจากข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้คนหมู่นี้แตกก้าวกัน หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้เพื่อให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกันเราไม่ใช่เป็นลักษณะข้าบขาวเนี่ยนะบางคนเขาบอกเขาพูดจริงนะแต่เจตนาจริงที่แฝงร้ายเพราะคำพูดที่จริงเนี่ยพูดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาแตกแยกกันเพราะกะคำพูดที่ส่อเสียดแม้แต่พ่อก็แตกกับแม่แม้แต่ลูกก็แตกกับพ่อแม่ แม้แต่พ่อแม่ก็แตกกับจากลูกเพราะคำพูดที่เป็นส่อเสียดเพราะฉะนั้นเว้นจากคำพูดที่นำมาซึ่งความร้าวรานให้แก่คนทั้งหลายมันก็กลายเป็นคนที่อันนี้เป็นส่วนที่เป็นจ า, า, ารีตนะนะที่ต้องเว้นออกไปก็คือไม่คาบข่าวสร้างความแตกรราวให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อไปก็จารีตสมานคนที่แตกรากันเนี่ยนะสมาน ประสานคนที่แตกต่าวกันส่งเสริมคนที่พร้อมเพียงกันชอบคนที่พร้อมเพียงกันยินดีในคนที่พร้อมเพียงกันเพลิดเพลินในผู้พร้อมเพียงกันกล่าวแต่ถ้อยคำที่ทำให้คนพร้อมเพียงกันอันนี้เป็นส่วนของเป็นจารีดที่เป็นข้อปฏิบัติเว้นจากส่อเสียดใช่ไหมส่งเสริมความสามาคัคคีต่อไปก็ละคาหยาบเว้นขาดจากคาหยาบอันนี้ส่วนที่เป็น วารีเว้นจากคำหยาบคำหยาบก็คืออะไรพูดแบบคำพูดที่เหมือนเอาก้านบนก้านบัวที่ปั่นหนูนะเอาก้านบัวปั่นหูจะเป็นยังไงเนาะนี่นะลักษณะนั้นเว้นคำพูดประเภทนั้นเสียเรียกว่า ด, ด่าคำพูดแล้วเสียดแทงถึงหัวใจเนี่ยนะกล่าวแต่ถ้อยคำที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นวารีดเอาเข้าไปจารีตไม่มีโทษเพราะหูชวนให้รักเป็นคำที่จับใจเป็นสำนวนของชาวเมืองและคนส่วนมาก บรรักใครพอใจเนี่ยนะก็แปลว่าถึงคำของชาวเมืองก็ไม่ได้ว่าคนทุกคนชอบฟังใช่ไหมบางคนบอกเลี่ยนจังเลยเป็นต้นเนี่ยนะบางคนก็ไปกันาบนั้นอีเหมือนกันแต่เอาว่าคนจํานวนมากเขายินดีที่จะฟังว่า ง, งั้นเถอะต่อไปละคำเพอรเจอร์เวนขาดจากคำเพอรเจอร์เพอรเจอร์คืออะไรพวกเดรฉาัานกรถาสาสิบสองเรื่องเป็นต้นเน่นะพูดไปเรื่อย